โก ar. สเรนิโอสนับสดุนโดยวินเดอร์กัสก้าฝากง่ายจ่ายคล่องการันตีการเงินร0อยนตูนย์นาฬิกากับอีกประมาณ37นาทีจากเรื่องของคุณมิกครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของผู้ชายคนนี้ฮะหลายคนถามถึงเขาอะนะครับคุณคิงฮะ คุณคิงจะมาพร้อมกับเรื่องเล่าที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนคุณคิงไปรับฟังเรื่องนี้มาจากคุณปรางและก็บอกว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่เดินทางกลางคืนครับเมื่อสักครู่นี้เรื่องของคุณมิกผู้มาเยือนคุณคิงมาพร้อมกับเรื่องของผู้ติดตามครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของเราในค่าคืนวันนี้นะครับ เราไม่ได้คุยกับคุณคิงนี่มาพักใหญ่เลยฮะเนื่องจากตัวของคุณคิงก็ค่อนข้างที่จะธุระเยอะแล้วก็จะยุ่งในเรื่องของการปั้นพระปั้นอะไรต่างๆด้วยนะครับและที่สําคัญคุณคิงก็จะมีการถือถือศีลด้วยก็อาจจะมีช่วงพักไปหลายคนคิดถึงครับวันนี้มาแล้วฮะ แล้วตอนนี้อยู่ในสายกับผมไปที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องของคุณคิงเป็นเรื่องปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณคิงสวัสดีครับพี่แจ็คโอ้คิงออฟโกด์นะครับเราไม่ได้คุยกันพักใหญ่มากคุณคิงโอ็เข้าใจแหละว่ายุ่งเข้าใจฮะทั้ ง, ง<า>ทั้งปั้นพระปั้นนู่นปั้นนี่แล้วก็ยังถือศีลด้วยศีนีะทุกอย่รแต่ว่างานตอนนี้ก็ทาอยู่ประมาณ เจ็ดอย่างโอ้โหเออฟังจากน้ําเสียงคุณคิงโอเคนะสบายดีนะสวัสดีครับปกติก็ได้อยู่แล้วตอนนี้ก็ยังนั่งทพาพระอยู่เลยครับโอ้โหูแล้วตอนนี้คืออยู่ที่ไหนครับเนี่ยก็ไปแะมาระหว่างกรุงเทพสระแก้วครับแล้วตอนนี้อยู่สระแก้วหรือกร<ม>ุงเทพสงว น, นไว้นิดหน uh ึ่งทีอะไรนะ สมหวนไวน้เล็นึงอ๋อสมหวนไว้อ๋อโอเคโอเคโอเคโอเคเอ๊ะคนนี้มีความลับอะไรนาะ <laughs> แซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นนะครับมาคุณคิงเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณคิงได้ยินมาจากคุณปรางเขาเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณคิงฟังอเออนะครับเรื่องเกี่ยวกับผู้ติดตามเห็นบอกว่าเรื่องเนี้ยเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่เดินทางกลางคืนด้วย ผมคนนึ่งครัร <ฮะ S 2> เป็นเป็นคนที่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมเป็นคนชอบขับรถตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวันไม่รู้รผมผมน่าจะเป็นโรคจิตอะไรสักอย่างผมรู้ผมชอบขับรถกลางคืนหนึ่งคือมันไม่ร้อนสองคือถนนมันโล่งสามคือส่วนมากกลางคืนเวลาขับรถผมจะตาสว่างเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้ากลางวันเนี่ยขับรถไกลๆนะครับง่วง <laughs> อรัอถ้าพี่เป็นถ้าสมมติว่าพี่แทกว่าพี่เป็นโลจิตผมคงเป็นด้วยคนนะเพราะผมก็ไปไหนกันคืนตลอดโน้อกลางว <c oughs> ันดูมันรถเยอะดูมันวุ่นวายยังไงก็มรู้แต่กลางคืนเนี่ยยิ่งไปต่างจังหวัดนะครับโอ้โหแบบขับชิวชิวสบายสบายเย็นเย็นเปิดกระจกบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันมั น, ม, นมันสบายดีครับเออนะครับมาคุณคิงไปได้ยินได้ฟังเรื่องของคุณปรางเขาว่ายังไงฮะ ลินคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะพี่ผมขอนิดนึงนะฮะหลายๆคนฝากเรื่องมาแต่ผมไม่ไดเอามาเล่าเลยอืมแล้วผมแบบช่วงผมทํางานผมก็แค่ได้อ่านข้อความเลยครับเร้บางทีถ้าบางคนฝากมาผมยังไม่ไดเอามาเล่าก็ต้องขอไปอยากให้เอามาเล่ากับพี่แจ็คแต่ละคนนะนะอยากให้เอามาเล่ากับพี่แจ็คแล้วผมแบบบางทีผมอืมวันผมแทบไม่ได้เิดเห็นผมเปิดมันจะขึ้นอ่อนเขียวๆบยงทีผมดูยูทูบนะผมไม่ได้ไม่ได้เล่นเฟซก็เลยบางคนจะว่าโอไม่อ่านเลยส่งให้อะไรอย่างนี้ครับ ออก็ต้องเข้าใจด้วย บ, บางทีเปิดแค่นิดเดียวนะฮะแล้วก็ไม่ได้แบบตัวปิดโปรแกรมมันอะ่ะมันก็จะเหมือนออนไว้อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเออเออครับครับพีบ่อืมเริ่มเลยหมเนาะลุยเลยนะอยากฟังเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของคางก่างเขารลย์ฟังว่าตัวเขาเองเนี่ยมีเพื่อนสนิทอยู่ สองคนแต่ว่าเรื่องของคนหนึ่งเนี่ยผมเคยพูดถึงแล้วท่นนี้มาถึงเรื่องของที่คน hmm. ชื่อคุณโซ่ hmm. คุณปางเนี่ยเป็นคนเพชรบุรีนะครับอ hmm. แล้วท่านนี้การที่เขาต้องมาต่อมหาหลัยที่กรุงเทพเนี่ยก็ทําให้ช่วงหนึ่งคุณปานกับคุณโซ่เนี่ยเขาห่างจากกันไป hmm. ตอนห่างจากกันไปเสร็จปุ๊บเนี่ยจากสภาวะของความสนิทมันก็ไม่ไม่ไม่ได้ห่างเหินเพราะว่าการไปเรียนส อ, องกรุงเทพมันก็ไม่กี่ปี hmm. แล้วการสนิท ก, กันมาตั้งแต่เด็กเนี่ย มันได้สนิทอยู่เหมือนเดิมนะพอกลับมาอยู่ใบกุรีก็กลายเป็นว่ายังคงสนิกันอยู่แต่จัด ก, การที่ต่างคนต่างโตลแล้วอะ่ะก็มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ค่อยเจอกันบ่อยแต่พอเจอกันก็คือโอภาป่าไทยกันคุนโซนเขาจะทํางานเกี่ยวกับทําสวนทําไร่ทานาอะไรเงี้ย จ, จะเอามีผลผลิตทางด้านการเกษตรเวะลามาหาคุณปางนีเขาก็จะเอาพวกผลไม้ร่างไม้มาฝากเป็นประจำ ผู้ชายว่าเขานอนออกใหม่ได้แล้วก็ถนิองกกันชนิดที่ว่าถึงเป็นผู้ชายผู้หญิงอ่ะแต่ก็นอนห้องเดียวกันได้อ่ะคุณพ่อของต่างเขาก็รู้ว่าเด็กรุ่นนี้เป็นยังไงอไปมาหาสู้กันก็นอนห้องเดียวกันเตียงเดียวกันอย่างเงี้ยออันนี้ไม่เคยเกิดเลยท่นนี้วันนึ่งคุณพ่อก็บอกว่าเออยากชวนให้ไปงานศพของคุณปู่คุณปู่เนี่ยแต่ชีวิต คุณปางเขาไม่รู้จักกับคุณปูเนี่ยเป็นการส่วนตัวแค่จะมีเคยเห็นเลยดีกว่าอืมแล้วเคยไปบ้านของคุณโซ่เนี่ยก็ไปบ้านที่โซ่เขาอยู่เป็นประจำไม่เคยได้ไปรู้ลึกว่าบ้านเขาตระกูลเขามีใครบ้างแต่ว่ามาในครั้งนี้คุณโซ่เขาชวนไปเนี่ยซึ่งคุณปางเขาเปิดหลานเค้กเขาไม่สามารถจะหยุดได้เลยสักวันหนึ่งแต่ด้วยความที่เพื่อนสนิทเขาก็ยอมที่จะปิดหลานหนึ่งวันแต่ จะไปก่อนหนึ่งวันคือสมมุติว่าพรุ่งนี้เผาวันนี้เขาจะเป็นร้านไปเลยออืเพื่อไปช่วยงานให้เต็มที่ก็เลยนะัดว่าเดี๋ยวจะขับรถไปคุณโต้ก็บอกว่าไม่ต้องขับรถมาเพราะว่าถ้าจะขับรถมาเนี่ยมันไม่ใช่ทางที่มาบ้านเรานอะเว้มันไปอีกที่หนึ่งเว้ยคือเขาสนิท ก, กันนะเป็นเพื่อนก็จะมีมึงกูคือจะเป็นผู้หญิงก็ดิงกับผู้ชายนะแต่เขาสนิท ก, กันไปไม่ต้องไว้ยเพื่อนเดี๋ยวไปรับจีกว่าเพราะว่ามันขับไปบ้านคุณย่าบ้านนี้ไม่ใช่บ้านที่คุยประจําเป็น บ้านหลังใหญ่ซึ่งคุณปางบอกไม่เคยเห็นเลยในชีวิตแต่บ้านหลังใหญ่คือคือที่ไหนเคยไปแต่ บ, บ้านหลังเนงี่ยเขาอยู่ประจํำ อ, อันนี้การกําหนดการก็คือว่านัดรับกันที่ตัวตัวเมืองเพชรบุรีคือให้น้องมาส่งที่ตัวเมืองแล้วก็เพื่อนเนี่ยจะมารับเพื่อนก็มากับพี่คนนึงชื่อว่าพี่เป้คุณปางนะ น, น ะ, ะคุณโซนเนี่ยมากับเพื่อนคนหนึ่งชื่อพี่เป้ซึ่งคุณปางไม่รู้จักก็คือนรถกนด้วยกัน แล้วกวาจะคุยก่อนกวาดาแวะซื้อของที่จะเอาไปใช้ในงานบ้างเนี่ยก็เริ่มมืดแหละฝ่าเริ่มมืดเพราะว่าเจอกันครั้งแรกก็ตอนประมาณห้าหกงเย็นแล้วอะไปซื้อของมาเริ่มมืดแล้วแล้วก็ขับไปตลอดทางทีนี้การขับไปเนี่ยก็เหมือนกับคุยคุยกันเรื่อยๆแล้วเริ่มสังเกตเห็นว่าคุณฟางเนี่ยเขามีอาการจะเรียกว่าเมารถหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่รู้สึกรู้สึกไม่ดีแล้วนั่งหน้าเฉื่อยเฉือยเพื่อนก็เลยถามว่า เขาได้เป็นไรวะอืมอืมรู้สึกไม่ดีวละแไม่เป็นไรปนไปเรืเ่อยๆเรืเ่อก็ น, นั่งมาอีสรัปรยาย่หนึ่งครับแล้วคนเราอ่ะพอเพื่อนถามไม่ปล่อยว่าให้เมรถปะเนี่ยมันเหมือนโดนจี้จุดที่ตัวเองพยายามส ก, กันเอาไว้แล้วอือืมมันก็เลยทนไม่ไหวบอกจอดจอดจอจอ ด, จอดไม่ไหวละเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาของเก่าออกก่อนคือแปะเทียนอืมพอลงรถได้ปุก็คือกุ้งเลยกุ้งกุ้ ง, ง, งลักษณะของคุณปางเขายืนในค่าคือ ยีนมือชันเขา่าตัวเองเนี่ยครับโค้งหลังแต่ว่าไม่นั่งยองๆนะครับแล้วโป่งพออาเจียนออกแค่นั้นนึกภาพออกออเพื่ออ่าเพื่อนเขาก็ตามลงมาในความมืดนะครับเมื่อชนิดที่ว่ามองแทบไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเพื่อนเขาก็ตามลงมาแล้วก็คุณโตนเนี่ยนะพอมาลูบหลังลูบอะไรกันเสร็จแล้วบอกเฮ้ยเป็นไงวะมึงไหวปะวะถ้าหันไปเอาน้ำขวด น, น้ําปล่าน้ำโพลิปสปัดส่งให้เขาก็บื้นปากรุ้นปากเสร็จทีนี้ยมันยังมีค้างอยู่ไะ เลยพยายามที่จะสูดหายใจเพื่อที่จะแบบดันมันออกอะ่ะให้มันหมดหมดสัมเวโลง่งๆครับแล้วในขณะที่ออกอีกร อ, อรบหนึงเพื่อนก็ถือขวดน้าเอาไว้ข้างๆนะอืออ่าออกเสร็จก็รูปหลังให้แล้วก็ส่งขวดน้ําให้ในขณะที่คุณฟางกาลังจะยกน้ําดืดด่มเพื่อน ก, ก็ดึงมือไยไปมาไป้ืรถคือรถรถรถเร็วๆคือรถรถแล้วก็ดึงดันเข้าไปคปางเคยใหอะไรวะน้าเปียนหมดเลยแล้วก็เข้าไปนั่งอยู่มุมไหนสุดของบาะด้านหลังของแท็บมะ เพราก็ยัง ง, งงงอยู่ตอนนั้นคือคุณปาบอกว่ายังไม่ทันได้โมโหไอเรื่องน้ำเพียงนะ่แต่ยังงงแล้วตกใจว่าทำไมเพื่อนสิ่งทางนี้นั้นยังไม่ถึงปากเลยอะไรเงี้บนปากแล้วก็ปิดประตูลษณะาท่านั่งก็คือเอามือเนี่ยเอาฟอกเนี่ยนะับดันกับหน้าต่างเอาไว้ขอบหน้าต่างแล้วก็เอามือป้องลูกตาเอาไว้เพือกก่อที่จะไม่ให้เห็นขอบด้านนอกออออือออแล้วพี่คนขับก็ถามเฮ้ยเป็นไรวะเออพี่ไปเหอะเป็นอะไรไปเลยนะ คนขับเพาะเขาเหมัอนเขจะรู้กันเขาเป็นผู้ชายเขาไม่นมุขมากก็ขับออกไปขับออกไปได้ประมาณห้านาทีคุณปางก็เริ่มเริ่มขันกลับมาฉุนทงทีวิตตัวเองเจียกน้ำเจียหมดเลยก็เลยว่าเฮ้ยเป็นไรผมวะอผมกำลังชับมุ้ามบบาปางเหยียบหมดเลยเนี่ยเล่นอะ ไ, ไรเนี่ยอืมเอาหน่าเดี๋ยวค่อยคุยกันนั่งท่าเดิมตลอดแล้วพยายามมองหันหน้าเข้าไม่เอาคือคือไม่หันลูกตาไปทางด้าน้าต่างเลย ซึมันถวิสัยของคนนั่งปกติแล้วตอนที่มาตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ตรงเนี้ยเขาก็นั่งมองมองข้างรอกมาปกตินะมองทางนูนบ้ า, นางนี้บ้างแล้วก็คุยแต่ครั้งนี้คือไม่คุยเลยออื mm. ไม่คุยตลอดจนค้นไปก็มีการแอบแ้วของที่บ้านเขาซึ่งเป็นหลังเก่าที่คุณปานเคยไปครับ mm. แล้วก็กลับเข้าไปถึงบ้านหลังใหญ่ซึ่งตลอดทางเนี่ยกว่าจะเข้าไปถึงบ้านหลังใหญ่ที่ว่าบ้านใหญ่เนี่ย คุณปังบอกว่าเริ่มตั้งแต่ที่เป็นผ่านหมู่บ้านมีบ้านคนติดกันมีแสงไฟจนกลายเป็นมืดมืดมืดและไม่มีอะไรเลยครับ <c oughs> แล้วมันไกลามากเลยนะนั่งรถนานมากกว่าจะถึงออืพอไปถึงบริเวณบ้านหลังใหญ่เสร็จปุ๊บเพื่ <c oughs> อนเขาเนี่ยคุณโซ่เนี่ยก็เหมือนกับโลง่งอ่าถึงมาเลยแล้วก็โดดลงไปเปิดประตูถัวออืให้คนชี่อเป้ขับรถเข้าไปบอก <c oughs> พี่เป้ขับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยแล้วก็ปิดถัว แล้วก็กระโดดขึ้นไปนัางที่เบาะทับเข้าไปถึงตัวบ้านพอลงรถปุ๊บตอนแรกคุณแม่มาดูก่็คุณแม่ของคุณโซ่เนี่ยนะมาดูก็อา้าวใครทำไมกันยังไงทำไมมันดึกเลยอย่างเงี้ยอันนี้คนต่อมาที่ออกมาจากประตูบ้านคือคุณยา่าขึ้นมาก่อนลูกขึ้นมาให้หมดเลยมามามาเดี๋ยวค่อยมาคุยกันมามามามากินข้าขึ้นมาหมดเลยนะนะหมดแล้วแหละ บางกับคุณโซ่กำลังจะเดินขึ้นบ้านแต่มันเหมือนมีคนวิ่งผ่านตรงกลางระหว่างเขาสองคนนะทุกคนที่ไปบนบา้านเขาหันมองหน้ากันนะออืแต่ก็ไม่พูดอะไรพยายามที่จะระงับแล้วพยายามที่จะเลิกสงสัยในเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดแล้วมาเจอเหตุการณ์เนี้ยก็ยิ่งไม่พูดเลยเพราะมันมืดอยู่กะว่ามีอะไรคงเชา้ามองตากันว่ายอย่างนั้นแล้วก็เดนินไปบนบา้านทุกคนก็นั่งคุยกันอะไรกันนั่งทันข้าวสเสร็จปุ๊แยกย้ายอ่นาน คุณปางก็ต้องมานอนห้องบุญโซ่ซึ่งคุ้นสนิท ก, กันอยู่แล้วเป็นปกติก็เข้ามานอนห้องบุญโซ่ลักษณะการนอ น, นคือคุณ่างอยู่ริมหน้าต่างติดกาแพงแล้วเป็นคนที่กลัวผีชนิดที่แบบว่าสุดๆอนะ่ะถ้าเห็นพุกช็อกตายได้เลยเขาไว้เงินเขาก็เลยนอนราบาคลุมโปงนอนคุยกันอยู่พักหนึ่งก็ต่างคนต่างหลับติดไฟนอนอยู่ในความมืดแล้วอยู่จีเขาดึงเสียงคนไออือ ไอเสียงไอนี่นะแหละแหวความความเงียบขึ้นมาจนทําให้เขา ต, ตื่นปางนะเขาตื่นแต่อยู่ใต้ผ้าหุบเขาก็ยังพยายามจับเสียงว่าเสียงมาจากทีงไหนออกเสียงมาจากด้านหลังออืก็น่าจะเป็นห้องทาง้างๆนะเพราะเตียงนอนที่กําแพงแล้วก็มันได้ขนลุขึ้นได้ว่าที่ข้างหลังกําแพงตรงนี้ไปเนะี่ยมันเป็นตัวโถงบ้านโล่งๆมันไม่ใช่ห้องออืมันไม่มีใครนอนแต่เสียงที่ไออะ่ะ ไอจนชิดมากเหมือนชิดกําแพงอะ่ะแล้วยิ่งเริ่มแบบพอตื่นตัวเต็มที่แล้วเหมือนไออยู่ข้างหลังเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะเขานอนหลังที่กําแพงโอ้คนรู้แล้วไอดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นครัเขาก็เริ่มเงียบแล้วแล้วก็เริ่มสวดมนต์มีไฟพระห่มนั่นนะแผลไม่ตาเสียงไอเบาลงแล้วเงียบไปครับก็เลยแหวกผ้าดูนิดนึงเนี่ยเหมือนเป็นช่องนิดๆเพื่อนๆอ่ะนื่นไหมจากเสียงไอเนี่ยครับครับ แล้วแหวกมาถึงปุ๊ ก, ก็จะเห็นผ้าเมืนเพื่อนมีผ้าคุมโปองอยู่เหมือนกันก็เลยเอามือยื่นออกไปพอยื่นออกไปเสร็จมีมือมาจับที่เขามือมับ้บเขาบอเฮ้ยพอคุยเสร็จเพื่อนเขาบอกกูเองกูเองโตโซูเองออนอนเฉย น, นะครับไม่ต้องสนใจฮะนอนเฉยมือมันมต้องสนอะไรทั้งนั้น อ, อปุตติปังเขากเฮ้ยถ้าพูดอย่างนี้คือมันน่ากลัวแล้วไงแล้วก็ดึงมือจับทันนี้ก็รู้ว่าเพื่อนตัวเองอันตริยะแล้วใช่ไหมก็เลยค่อยๆแง้มผ้าให้มันกว้างขึ้น มองฝ่าความมืดไปเพื่อนก็นอนมองเขามาเหมือนกันต่างคนต่างหันหน้าเข้าหากันนะแสดงว่าได้ยินท<า>ั้งคูเออ่เออเออแต่พอจับดูดีๆปุ๊บเนี่ยมองฝ่าความมืดเขาจะทันเนี่ยเขารู้ว่าเพื่อนเขาไม่ได้มองมาที่เขานะอแต่มองไปที่อะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ข้างหลังเขาด้านประมาณข้างบนหัวนั่นคือกำแพงใช่แต่มองค้างอยู่อย่างนั้นนะอ่ะเือยคนรู้ว่า เ, ออเขาก็เลยพยายามที่จะเรียกโซ่อ่าโซ่ อตอนเนี้ยเริ่มทั้งใจแล้วว่ามันรู้ตัวแล้วมันมองอะไรอยู่หรือว่ามันเห็นอะไรแล้วมันช็อกไปแล้วเริ่มไม่แน่ใจแล้วก็เลยตัดสินใจว่าในเมื่อเรียกแล้วไม่ขยับอุลุูแล้วนะอุลุกแล้วนะไม่มีเสียงตอบยังคงมองอยู่นั้นอืเขาก็เลยค่อยๆเปิดพารแล้วแบบไม่หันไปมองอ่ะตอนนี้เสียงไอดังขึ้นคดังขึ้นเหมือนมันอยู่ข้างหลังเขาเลยนแต่เขาไม่มองเป็นตายไงไม่มองขอลุกออกไปข้างนอกก่อนแล้วจะไปเรียกพ่อไอโซ่เขาว่าอย่างนี้ดันตัวลุกขึ้นปุ๊บ กำลังก้มหน้าก้มตาหาคือจะไม่มองอะไรเช่งนั้นนะก้มหน้าก้มจะลุกคนชื่อโซ่ลุกขึ้นมาแล้วจับขาไว้บีบหน้าปังมึงมองกูมึงมองกูแล้วอย่าหันไปมองข้างหลังเพราะว่าเสียงไอ้มันดังขึ้นเรื่อยๆไงมึงอย่ามองข้างหลังทำกูนะออทําตามกูนะหนึ่งสอลุกลุกลุกออกจากห้องกูลุกลเร็วๆแล้วก็ดึงดึงมือวิ่งออกไปนอกครู้ช่วยด้วยตะโกนคำว่าปู่ช่วยด้วยคือคุณปู่ที่เขาเสียชีวิตนะนะแล้วก็วิ่งออกไปนอก คุณพ่อของคุณโซนเปิดประตูออกมาพอดีเหมือนกับจะรู้ว่ามีอะไรแต่สิ่งที่คุณพ่อปัวถามครั้งแรกคือเมื่อกี้ใครได้ยินเสียงฟ้าผ่าบ้างครับดังมากเลยนะดังเหมือนอยู่ในบ้านนี่เลยอ่ะออืเป็นเสียงฟ้าผ่าทุกคนในบ้านค่อยเริ่มออกมากันหมดแล้วก็บอกว่าเสียงฟ้าผ่าแต่มีคนเดียวคือคุณย่าที่เปิดประตูออกมาเสร็จแล้วมาลูกผัวทั้งสองคนแล้วบอกไม่มีอะไรลูกมันไปแล้วครับมันไปแล้วมันไปแล้วปู่ไล่มันไปแล้วออื พอนั่งเงียบกันอยู่พักใหญ่จนไม่รู้ว่าอะไรมันคืออะไรทําใจอยู่พักหนึ่งระหว่างนั้นเน่ยคุณตังเขาถามว่าเขากลัวไหมเขากลัวนะแต่เขาไม่ได้ตกใ จ, จกเดินไปเขาว่าเขาไม่ได้เห็นภาพอะไรเลยนอกจากเสียงดังๆที่คุณโตทำเท่านั้นอก็เลยมีการนั่งคุยกันล้วเอิมก็เล่ามาเลผมก็ไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่าผมไม่ได้เห็นไงแต่ผมก็อยากรู้ครับคุณโตเขาเล่าใังว่ามันดิ้นเสียงไอเหมือนกันใช่ไหมตอบใช่ กูก็ได้ยินแต่กูก็มองมาด้วว่ามึงไอแต่ว่าทำไมมึงไอแห้งจังเลยวะแล้ไอดัำขึ้นเรื่อยๆครับปรากฏแล้วมึก็ค่อยยื่นมือมาอะไรแต่ระวังที่มึงยื่นมือมากูเห็นว่ามันเป็นเงาคนอะนอนซอนอยู่ข้างหลังมือเลยอืมอืมซึ่งมาชิดกําแพงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอะพยายามมองว่ามันเป็นใครหรือมันเป็นเงาสะท้อนจนเงาของมึงขึ้นไปที่กําแพงแล้วมันกว้างขึ้นสูงขึ้นอืมมันก็ไม่ใช่แล้วเงานั้นมันขยับคนละท่าทางกับมึงด้วยอืม เพรกูจับมือมึงเสร็จแล้วกูบอกว่าเป็นกูเองใช่ไหมคุณตาบอกใช่เลยหลังจากนั้นมึงยึ่นมือเข้าไปแล้วกูก็มองต่อมันเป็นหน้าของผู้ชายคนหนึ่ง<อ>ที่เอาหน้าขึ้นมาเกยอยู่บนหัวมึงไว้อะแล้วก็ค่อยไอ้ไอแล้วเซนออกมาจนแบบว่าเลือดออกมาเป็นริ่มปผสมกับที่ดินอะอแล้วก็ ค่อยๆยิ้มยิ้มยิ้มแล้วไอ้เค่อยๆมองหน้ากูอตอนนั้นคือกูก็ยังไม่รู้ว่ากูช็อกหรือเปล่าแต่รู้ว่ากูมองอยู่นานมากจนกูเห็น้มึงลุกขึ้นมาแหละกูคิดว่ามึงจะไปแล้วกูก็ไม่ว่าอะไรออืแต่กูทนไม่ได้ตอนที่มึงจะ่อ่านไปมองเพราะกูรู้ว่ามึงะกลัวมากแน่นอนออืกูเลยเด้งตัวขึ้นมาจับหน้ามึงบอกไม่ต้องมองไม่ต้องมองแล้วคุณปานก็เลยถามว่าแล้วทําไมมึงถึงเลือกกูอะกูตายแล้วไหมอะกูโซ่ผู้ติดตลกว่า ชัมงนี้ในบ้านหลังเนี้ยกูเชื่อว่ามีผูผีที่หนอยู่เท่าผีปู่กูแล้วล่ะอ๋ออ๋เพราะว่าปู่กูก็ที่สุดแล้วในบ้านหลังเนี้ยครับแล้วตอนที่เราวิ่งออกจากห้องกันไว้ฟังกูได้ยินเสียงปู่พูดว่าอนดังๆอย่างเงี้ยอ๋อมันมาไล่ออใช่เสียงปู่กูแน่นอนร้อปร์เซ็นแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วครับทันนี้ เรื่องมันก็จะผ่านไปอย่างปกปติทุกคนพยายามที่จะไม่เล่าเรื่องอะไรในงานนั้นแต่จะมีแค่คนที่อยู่ในบ้านวันนั้นเท่านั้นที่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นออืถามว่าทําไมเขาถึงไม่เล่าจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องหน้าปิดบังอะไรเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นในงานศพของคุณปู่ซึ่งบางคนอาจจะมองว่าคุณปางเ้าเป็นเด็กมันทาเป็นพูดเล่นอะไรอย่างนี้เปล่าแล้วคุณโซก็แบบเด็กด้วยกันนะ่ะเล่นสนุกอะไรกันเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยอืก็เลยไม่พูดจนงานศพเสร็จเผาเช็ต ความช่วงเงย็นๆ hmm. คุณลุงที่เขารู้เรื่องนี้ด้วยอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยเนะี่ยวิ่งมาบอกคุณโซกับคุณปาว่า <c oughs> ไปไปหาเจ้าคันเจ้าว่ากันเลหนูเจ้าว่าเรียกพบอ่ะเขาก็มองหน้ากันนะออื hmm. ทําไมอะ่ะคือลุงเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็นเลยอยากเช้ผู้เองหน่อยว่าะก็เลยไปถึงผู้เจ้าว่าก็ยินยินยนยนนะ้มอยู่นะมองแล้วก็พูดกับคุณโซว่าเดี๋ยวเสร็จงานปู่แล้วเนะี่ยเองมาบวชซือสิน hmm. สินความสักแปดเก้า 8, วันนะ หลงมาค่อยดีแล้วก็หันน้ำมองหน้าคนต่างแล้วก็ยิ้มแล้วก็ไอ้หนูเนี่ยมันสวยจิตมันอ่อนจริงๆแล้วมันไม่ไมันไม่ได้ดวงตกหรอกแต่จิตมันอ่อนมันเลยไปสัมผัสกับเขาเขาเลยมาขอส่นคุญเพราะเริ่มงการทำทาวแต่จบแค่นั้นออจนโอเคเมื่อรู้เรื่องนี้แล้วแต่ผมเสร็จงานปู่แล้วผมจะมาถึงสินนะครับก็ขับรถออกมาสองคนต่างขับออกมาทั้งนั้นจนผ่านตังหวะบริเวณที่เดิม แต่ว่ามันไม่ได้มืดเหมือนอยังตอนมานะคุณบานเขาามันเลยขึ้นได้ว่าเออวันนั้นมันเป็นอะไรมาถึงดึงมือเราขึ้นรถ อ, อย่างเร็วเลยวะเขอา เ, เลยบอกไอโ้โซเพื่อนเขาก็าตกใจนะอะไรมึงอยังไม่เล่าให้กูฟังเลยว่าวานันนั้นน่ะมึงทําอย่างนั้นทําไมคุณโซ่หัวเราะเขาบอกคุณรู้วมึงลืมไปแล้วนะเนีเออ่ยมกงอาจจะไม่เล่าเลยเดี๋ยวมึจะไม่มาบ้านกูอีกเอาเล่ามาเล่ามาทํามาขนาดนี้แล้วมันกลางวันอยู่เดินมึงเล่ามาเลย ถ้มึงไม่เล่ากูไม่ยอมจริงนะวันนี้กูไม่กลับจริงนะออเขาก็เลยว่าเออเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังก็ได้แล้วมึงก็อย่ากลัวกันแล้วกันคือวันนั้นใช่ไหมมึงอยากจะอวดใช่ไหมอย่างจเรียนอะ่ะบอกใช่มึงก็มึง ก, ก, ก็ลงไปปกติกูก็ทําหน้าที่ไงลงไปยินข้างๆแล้วทันเนี้ยระหว่งที่มึงกำเราของเก่าออกกูก็ไม่อยากมองกนะันเนาะกูก็มองอะไรไปเรื่อยๆ อ, อย่างเงี้ยสตยตาไปสะดุดอยู่กับ เงาเนึงตอนแรกผมคิดว่าจอมปวกสูงๆว่า ม, มันห่างไปประมาณสักหกเจ็ดเมตรนั่นแหละมันห่างริงลงไปตรงคันไอเป็นแบบเป็นทางนาเป็นหญ้าลงไปเนี่ยอเขาก็เลยเพ่งว่ามันคือจอมปวกอะทําไมมันขึ้นมาสูงๆทรงแหลมๆอย่างเงี้<ะ>ยยิ่งเพ่งมากๆเขาเนี่ยแล้วจังหวะที่คุณปางเขาปะเยนซ้ําอีกครั้งอนึงอ่งเขาก็เลยหันมามองพอาหาันมามองเสร็จปุ๊บแล้วก็หันไปมองอีก<ะ>มันทําให้ชัดขึ้นว่ามันไม่ใช่จอมปวก มันเป็นผู้ชายคนหนึ่ง oh. ที่กําลังยิ้มอยู่พร้อมกับเหมือนกับมีน้ําอะไรไหลออกจากปากแล้วทําท่าเรียนแบบคุณฟางคือยืนท่าเดียวกันออืพอคุณฟางทําท่า IT ไอทีง oh. เงี้ยเหมือนกับเจียนออกที่โกวงคอแล้วพุ่มตัวเนี่ยมันก็ทําตามแต่ว่าหน้ามันยังยิ้มอยู่นะออ oh. ืจังหวะนั้นน่ะคุณโซรู้แล้วว่าไม่ปกติ oh. ก็เลยพยายามที่จะบอกคุณฟางว่าเดี๋ยวมึงรีวขึ้นรถแล้วพอดีคุณฟางก็มัวแต่อาเจียนออกอยู่ บ, บอกจังหวะที่ส่งน้ำให้อะในใจแค่คิดว่าเดี๋ยวจะดึงมือมันขึ้นรถไอคนนั้นน่ะเหมือนมันรู้รมันรู้ว่าคุณโซ่จะทําอะไรมันยืดตัวขึ้นแล้ว ท, ทํำ่าส ต, ตาร์กเหมือนจะวิ่งมามไม่ใช่เหมือนจ่าคือวิ่งมาหาเลย ค, คุณโซ่เลยบอกกูรอไม่ได้แล้วกูเลยกระชากมือมึงขึ้นรถไงแล้วพอกูปิดประตูพุ๊บเป็นจังหวะที่มันมายืนอยู่ข้างๆหน้าต่างพอดีซึ่งตอนนั้นกูกําลังชั่งใจว่ามึงกับพี่เป้จะเห็นไหมสรุปว่ามึงสองคนไม่เห็นกูเลยมั่นใจว่าไม่ใช่คนไง แล้่นี้พี่เป้ซึ่งเขาก็ขับออกมาส่งคุณคุณปางด้วยเขาก็เลยบอกว่าโจรหรือเปล่าโซมพวกโจลหรือเปล่าบ้านเรามันก็นเยอะอยู่นะพวกที่อย่างเงี้ยโซเขาบอกว่าแล้วพี่เห็นหรือเปล่าล่ะปางมึงเห็นปละล่ะเราบอกไม่เห็นอืมถ้าเป็นคนต้องเห็นใช่ไหมแล้วถ้าเป็นคนถามอีกอย่างหนึ่งนะระหว่างที่พี่ขับรถไปเนี่ยตลอดร ะ, ะยะเวลาหนึ่งกิโลเนี่ยมันวิ่งตีข้างกระจกร้ไปตลอดเลยผมถึงเลี้ยวมือป้องตาไว้ตลอดเนี่ยอื แล้วก็มองเข้ามาในรถมองแล้วก็ยิ้มอย่างเงี้ยจนคนประมาณสักกิโลกิโลกว่าๆนะมันก็หายไปซึ่งผมก็คิ ด, ดว่ามันหมดแล้วแล้วก็ไม่คิดเลยว่ามันจะไปโฟที่คือคนที่เอาหน้าเกยหลังไอ้เกยหัวไอ้ปากนั่นแหละนี่คือทางห่อของการที่ไอที่ไหนตอนคืนแล้วก็ ไปเห็นอะไรหรือว่าถ้าเป็นไปได้นะ<อ>พยายามยอย่าแวะในที่เปลี่ยวๆหมายถึงว่าอย่างหนึ่งคือขึ้ย่าเขาเรียกว่าขึ้นไม้หมดเลยอย่างนั้นแ ห, หล<อ>นนะเออใช่นั่งงนไงกําลังจะพูดว่าเขาตามมาจากจังหวะนั้นเอาขึ้นมาขึ้นมาให้หมดเลยอันนี้เราเคยเราเค ย, ค, เ ค, ยคุยเราเคยพูดกันหลายครั้งแล้วว่าถ้าสมมุติว่ามีการนั่งรถไปที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนนะครับควรจะรู้หน้าที่ของตัวเองไม่ต้องรอให้คนอื่นเรียก ในการขึ้นรถแล้วก็ไม่ต้องเรียกไม่ต้องตะโกนกันด้วยว่าอา้าวพวกเราขึ้นรถขึ้นกันให้หมดดูแล้ ว, วอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคือถ้าอยากจะเรียกจริงๆเนี่ยใช้วิธีการเรียกชื่ออ่ะเออ่ะบีอ่ะซี A, ะ B, ะ C, ขึ้นรถแค่นี้พออย่างคราวที่แล้วในที่ผมไปถ่ายทํากันที่ที่ที่เกาะที่เกาะที่ทํางานกันนะครับก็ ตอนกลับเนี่ยคุณจะบอกเฮ้ยทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองขึ้นเรือขึ้นเรือไม่ต้องให้เรียกกันไม่ต้องให้เรียกกันเพราะว่ามันมันกลุ่มใหญ่อยู่นะครับคือถ้าเรียกกันม า, เ อ, าเอ้าเฮ้ยขึ้นเรือเร็วๆพวกเราโอ้โหเหมือนเป็นการเชิญเหมือนเป็นการเรียกเข้ามาจากเหตุการณ์ที่คุณคิงได้ฟังมาจากคุณปางแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วเป็นจังหวะที่ดันไปจอดรถตรงนั้นพอดีครับโอ้แล้วเขาตามมา เฮ้ยมันคงเป็นชวักเกี่ยวกับเรื่องของการเกีิดเรื่องด้วยกับนนี่แหละพี่ชัดคนเรามันบังเอิญนี่มีในโลกนะบังเอิญไม่มีนะอือเราก็ต้องมีสัมพันธ์อะไรกันถนะึงจะไปสัมผัสได้แต่คนชื่อเต้ที่ไปด้วยนะกลับไม่รู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งจะไม่โดนอะไรเลยออออือืถ้าที่สําคัญคือเขาตามมาอย่างที่เขาบอกว่าคือเหมือนกับว่า พยายามที่จะมาขอส่วนบุญเพราะเหมือนกับว่าเขาจะสื่อกับคนเนี้ยได้เหมือนเขาพยายามเหมือนเขาบอกเขาเขาติดต่อกับคนนี้ได้คนนี้เป็นคนจิตอ่อนอะไรประมาณเนี้ยส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ครับโอ้จะเป็นอย่างที่ อ, อาจารย์ผมเคยเล่าก็คือท่านจะบอกว่าสําหรับคนที่มีบุญสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยครับถ้าดวงวิญญาณเขาเห็นนี่ยิึงแมต้ตอนนี้ชัตินี้ยังไม่รู้จักกันอืมแต่ถ้าสมมุติว่าเขาไม่ตายเนี่ยต่อไปข้างหน้าจะได้เป็นเพื่อนกันแต่เมื่อเล้วดเขาตายไงแล้ว คนที่มีบุญสัมพันธ์ต่อกันมาเนี่ยจะเป็นผู้เดียวที่เขานี่ยจะเห็นเหมือนว่าครมีอะไรทุกอย่างหนึ่งมีแสงเรืองเให้เขาตามได้หรือก็อได้นั่นคืบุญสมพันธ์ครอบออย่างกรณีนี้ก็ใกล้ๆ ก, กันก็คือเหมือนกับว่าเขามองว่าคนเนี้ยมีบุญมาเพื่อที่จะมาขอส่วนบุญแต่มาในรูปแบบของแบบเฮ้ยมาบอกดีๆก็ได้ป้าทำไมต้องมาแบบ<ม>น่ากลัวอย่างนี้วะ ท่านเป็นอย่างนี้อาจารย์ก็ูเคยเล่าให้ฟงว่าผีที่เราเห็นเบางทีถ้าเราทัศนที่เห็นนะอืมถ้าเขาตายด้วยการที่ตายไม่ดีเนี่ยเวลาที่เขาจะแสดงออกอะไรเนี่ยเขาไม่มีจิตสุดท้ายที่เป็นจิตดีอืจริงๆแล้วเขาต้องการขอชนบุญเท่านั้นหรือบางทีเขาไม่ตั้งใจที่ทําอะไรเลยเท่านั้นแต่บางเดือเราไปเห็นไปเห็นจิตสุดท้ายที่เขาทาในเรื่องที่มันเป็นเป็นเรื่องที่ไม่น่าเห็นจังหวะสุดท้ายก่อนที่เขาจะตายเป็นความเจ็บปวดทรมารสุดท้ายจริงได้เห็นในภาพที่มันน่าขยดสยองซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ตั้งใจทำอะไรหรอ เขาจะขอส่นบุญแต่เขาไม่มีไม่มีจีจีที่จะแสดงออกให้มันดีได้มากไปกว่านั้นไงอ๋ออ๋อโอเคเอออเอคำนี้เข้าใจง่ายเอออยู่ที่ว่าตอนที่เขาสิ้นลมในครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาเขาอยู่ในลักษณะไหนถ้าเป็นลักษณะของการเสียชีวิตด้วยอายุไขก็จะมาในรูปแบบอีกแบบหนึ่งก็คือมาดีเลยถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่า อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการข่าตัวตายหรืออะไรที่มันเป็นการทุกขทรมานอะไรอย่างเงี้ย น, นั่นคือจิตสุดท้ายของเขาแล้วเวลาเขาจะมาปรากฏตัวหรือว่าจะมาสื่ออะไรบางอย่างกับคนเราเนี่ยก็จะมาในรูปแบบนั้นๆถูกไหมฮะครับเออเข้าใจง่ายเออแบบนี้โอเคมันเหมือนกับมออันเหมือนกับว่าสมมุติว่าคนคนนี้เคยตายตอนประมาณช่15นาทีครับ และจังหวะที่คุณผ่านไปแล้วคุณมีบุญหรือกรรมสัมพันธ์กับเขาเนี่ยครับคุณไปประมาณทุ่มสิบสี่นาทีหอนเวลาที่เขาจะตายหนึ่งนาทีแล้วคุณก็จะไปเห็นภาพเก่าๆที่เขาทําซ้ําแบบเดิมครเหมือนกับมิติเวลาที่เขาฉายซ้ำอ่ะ้องครั้งเขาอาจจะไม่ตั้งใจที่จะให้คุณเห็นหรอกแต่คุณไปเห็นในสิ่งที่เขาทําซ้ําเพราะว่าคุณกับเขามีบุญหรือกรรมสัมพันธ์ต่อกันเท่านั้นโออเรื่องบุญสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์นี่ก็ก็น่าจะเกี่ยวข้องนะคือต้องบอกว่าคนเราไม่มีโอกาสได้เห็นกันทุกคน แต่เมื่อไหร่ที่ถ้าเป็นภาษาง่ายๆอย่างที่ผมพูดบ่อยๆก็คือเมื่อไหร่ที่มันจูนติดกันโปเชจังหวะมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันได้เนี่ยรเราก็อาจจะได้เห็นลักษณะในการที่เขาทำอะไรบางอย่างในตอนสุดท้ายที่เขาเสียชีวิตก็เหมือนกับว่าเขาเขากาลังค่าตัวตายอยู่กลายเป็นว่าเฮ้ยเราเจอผีหลอกอะไรประมาณนี้ใช่มะ จริงๆแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจเลยหรือเขาจะตั้งใจก็ได้ในการขอสมบุญแต่เขาทําดีไปกว่านั้นไม่ได้ออืแล้วการเชิญวิญญาณที่บางครั้งบอกว่าทําไมเอาพระมาสวดแล้วยังไม่เห็นไปเลยทำไมยังเจอกันอยู่นี่ก็เป็นหลักเหมือนกันนะครับอาจารย์เคยสอนเอาไว้ว่าถ้าเราเป็นพระครับเขามาขอนิมลให้ไปทําการสวดถอนวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยต้องถามเวลาที่เขาตายว่าตายตอนไหนอืออย่างที่ผมบอกประมาณทุ่มสิบ้านาทีเนี่ย เราต้องไปก่อนสักห้านาทีออืผมก็ถามอาจารย์ว่าทําไมจะต้องไปก่อนแล้วครับแล้วมันเกี่ยวกับเวลาหรือไม่อาจารย์บอกว่าคนที่ตายเน่ะเขาจะจิตเสียมาถึงเวลางเขาที่ตายไปแล้วครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปก่อนที่เขาจะทําภาพซ้ำๆมะเราไปถึงจังหวะที่จิตเขายังไม่เสียอเหมือนอย่างเช่นว่าเขาเคยเดินมาเดินมาเดินม า, นมาแล้วมีเด็กหล่นใส่เขาแล้วเขาตายออืถ้าเราไปก่อนในหลังเวลานั้นก็จะเป็นว่าจิตเขาเสียไปแล้วครับ จะไม่รับรู้อะไรได้มันเป็นกรรมของเขาแล้วที่ต้องยึดติดกับตรงนั้นหรือเป็นภาวะสุดท้ายที่เขายังไม่สามารถจะไปไหนได้คเพราะไม่เคยมีความพร้อมในจิตแต่ถ้าบางเออเราไปทําไปทําก่อนเวลาที่เขาตายเนี่ยในภาพที่เขากำลังเดินมาก่อนจุดจิตตายของเขาเนี่ ย, ยเข า, เาจะเป็นจิตที่ดีอยู่เหมือนเราไปดักเขาไว้ก่อนหน้าที่เขาจะไปถึงจุดจบณตรงนั้นถูกไหมใช่ครับได้ตัวจิตดีของเขาตรงนั้นแหละจะเป็นจิตที่ทําสามาสามารถสัมพันธ์กับคาถาต่างๆหรือว่ากฎ ทำมบทต่างๆที่เขาสวดให้ได้ยินให้ฟังว่าตามกลับมานะจ<อ>งหลุดพ้นจากตรงนั้นนะ<อ>จะเป็นสิ่งที่ดึงหรือห้ามเขาไว้ให้ถึงจุดนั้นกันโอ้เออเอ้ออันนี้มีเหตุผลเอออันนี้เข้าใจง่ายเหมือนกันแต่ผมเห็นส่วน<อ>มากนะเวลาเขานิมนต์พระไปเชิญดวงวิญญาณไปถอนดวงวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยส่วนมากเขาอาจจะลืมคิดถึงในเรื่องของเวลาที่คนคนนั้นเสียชีวิตนะ ผมก็เห็นว่าบางทีอาจเสียชีวิตตอนกลางคืนแต่ก็จะมีไปอาเชิญวิญ ญ, ญาณในช่วงตอนกลางวันอันนั้นก็อาจจะไม่ไม่ตรงกันไม่ตรงจุดใช่ครับนี่คือเรื่องที่อาจารย์บอกว่าต้องเยืนย้ําความเป็นจริงแล้วเป็นเรื่องที่ผู้ที่เป็นผู้กระทำอะ่ะเขามานิมนต์เขาไม่รู้เรื่องหรอกโยมนะแต่ผู้ที่ศึกษาทางเนี้ยน่าจะบอกซะหน่อยอไม่ใช่เอาสะดวกเขาว่าอืมอืออุอันนี้ดีจังเลยอะ่ะ เออได้ได้ได้ฟังในอีกแง่มุมหนึ่งแล้วก็เป็นความรู้ไว้ประดับสมองรอยอยากของผมเลยนะว่าเออเฮ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยดีเราจะได้เอาไว้คุยเอาไว้บอกคนต่อๆไปว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้ววิธีการในการเชิญวิญญาณเ อ, อ้ทำไมถึงไม่ไปไม่ไปผมจะได้แนะนำก็ถูกว่าเฮ้ยลองใช้วิธีแบบนี้ดูลองเช็คเวลารจริงๆว่าเขาเสียตอนกี่โมง ถ้าเวลาเป๊ะๆได้เนี่ยจะดีมากๆแตส่วมากความเป๊ะเนี่ยมันจะยากแต่เราสามารถเที่ยวไปก่อนนั้นได้ประมาณสักห้านาทีได้ไม่ใช่หรือถูกปะประมาณนั้นครับถ<อ>้าถึงสิบนาทเอาช่วมก่อนเวลาที่เขาจะมาถึงจังหวัดจะต้องไป<อ> ต, ตรงจุดนั้นโอ้อเออเออเออเอเอดีดีดีดีดีครั น, น, นเป็นที่ที่บางที<อ>ผมผมคิดว่าที่ผ่านมาผมไม่เคยเล่าถึงจนตรงจุดนี้เพราะว่าครับ ผมก็คิดว่าเขาจะมีคนที่รู้อยู่แล้วแล้วเราไป<ม>พูดเนี่ยก็จะแบบเห็นผลรู้เรื่องมาอวดรู้มันไม่ใช่กันครับเราผมฟังหลายๆเรื่องแล้วบางทีแบบบางคนเขาก็บอกว่ามีเรื่องเอามาเชิญ<ม>เชิญเชิญวิญญาณแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนเจออยู่อืมผมคิดว่าเหตุนี้แหละ อ, อาจารย์ผมบอกว่าที่ไม่หลุดมีเหตุเดียวคือเราไปไม่ถูกจิดเขาเออจริงใช่ เออเป็นความรู้ใหม่โอ้โหประดับสมองผมเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับอ่าเรื่องนี้ทั้งเรื่องที่คุณคิงเล่าน่ากลัวน่ากลัวนะครับแล้วก็ได้ความรู้ในช่วงท้ายอีกนี่แหละคือคุณคิงคิงอ g ฟโกดนะครับคนที่โอ้เล่าเรื่องผีทีไรนี่ต้องบอกว่าสนุกตื่นเต้นแล้วก็ได้อะไรหลายอย่า ง, างทุกเรื่องเลยฮนะโอ้มันมีมันมีเล็กๆอีกหีึ่งนาทีนะพี่แจได้ค่ะ น, นี้โต๊ะนี้ยอยู่ข้างหลังผมผมนั่งแต่โต๊ะนี้ยอยู่ข้างหลังผมออืผมไปซื้อโต๊ะมือสองมาจากสถานที่ดังแห่งหนึ่งครับวันที่ผมไปซื้อเนี่ยโต๊ะนี้เขามีเปหลายร้อยตัวเลยนะออืแต่ผมเดินริงดิงมีดิงไปเอาตัวเนี้ยเป็นโต๊ะโต๊ะคอมที่ใหญ่มากเลยครัในราคาสองร้อยห้าสิบซึ่งมันถูกมันถูกมากออืมันถูกมากแต่ผมก็เข้าใจว่ามันเป็นที่ที่แบบเขาเนียกันมาลนะ อานนี้ผมก็คุยโทรศัพท์บอกับแฟนว่าเดี๋ยวจะซื้อโต๊ะอันนี้ไปละใหญ่มากเลยอยากให้เห็นมากเลยเพราะว่ามันใหญ่จริงๆแล้วแล้วมันก็ไม่อยากเชี่ยวมันราคาแค่เนี้ยครับมันแข็งแรงโดยที่ไม่มีการสั่นคลอนเลยทั้นิดหนึ่งผมก็ก้มหน้าที่โต๊ะผมได้ยินคนพูดว่าเอาไปเลยเอาไปเลยนะเอาไปสิเอาไปสิ嗯嗯嗯ผมก็พยายามมองด้านข้างซึ่งผมไปกับพี่คนหนึ่งเป็นพี่ชายที่ผมรู้จักนึกว่าเขาเป็นคนพูด แต่ปรากฏว่าเขาไปยืนดูเก้าอี้อยู่ไกล้ๆนู้นแต่รอบตัวเราไม่มีใครมันตอบย้ําความเชื่อองผมอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าผมได้ไปตามคนที่เขาขายมาอื อ, อกผมต้องการโต๊ะตัวเนี้ยแล้วผมมาก้มหน้าอยู่นะทีแท้ผมไม่ได้พูดอะไรสักคำหนึ่งเลยเอามือลูบโต๊ะอยู่ผมบอกว่าโต๊ะตัวนี้มันหนักมากไหมถ้าหนักมากผมคงจะยกลําบากอแล้วผมก็ก้มหน้าเอามือลูบกำลังชั่งน้ําหนักโต๊ะอยู่ผมไม่ได้พูดอะไรนะคแหมแม่ค้าเขาพูดว่าอ๋อค่าลดได้ค่ะ เอาไปสองร้อยแล้วกันเนา ะ, ะเขาพูดกับใครม <c oughs> ันเป็นประโยค์สนทนาที่ออต้องมีคนเริ่มก่อนก่อนออจะตอบคํานี้ถูกป่ะเหมือนมีคนถามราคาก่อนหรืออาจจะมีการต่อรองราคาว่าลดได้ไหม ม, มีคนต่อให้ออ อ, อะ เ, ออเออโดยที่ผมไม่ได้พูดออผมก้มหน้าอยู่เขาก็เข้าใจว่าเป็นผมพูดแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้พูดอตอนที่แฟนผมโทรศสอบถามแฟนผมบอกต่อเขาลงอีกหน่อยได้ไหมผมยังบอกเลยป้าเหรอเขาขนาดนี้แล้วลอกสอง้อยห้าสิบจะไปต่ออย่าเงี้ยเขาไม่ด่าวไหม แต่ปรากฏว่ามีเสียงเงียมพูดแล้วพอมาถึงที่นี่วันแรกเห็นกนันทั้งบ้านเลยคือมีคนนั่งที่โต๊ะตัวเนี้ยอืผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะต้องการที่จะมาอยู่กับเราแหล ะ, ะก็เลยก็เอาไว้ไม่ได้ไปไหนครับเฮ้ย hey, ไม่กลัวหรอคุณคิงไม่นะผมผมไม่รู้สึกยังไงครับไม่หมายถึงว่าสมาชิกคนอื่นๆในบ้านนะ่ะเขาจะไม่กลัวเหรอทุกวันนี้เขาก็เป็นคนสวนมดมนต์นัสมาธิกันหมดลนะครับแทนเพื่อนผมเขาก็ไม่ได้กลัวเท่าไ ห, นนะหร่นอ โอหมายถึงว่าโต๊ะเนี้มันลักษณะเป็นโต๊ะกินข้าวอย่างนั้นปะไม่ครับเป็นโต๊ะคอมเลยพี่แจ๊คเดี๋ยวผมถ่ายรูปสงมองดอทงูทั้งทางกลุ่มพี่แจ๊ค่างเยอะก็ได้อ่อเป็นโต๊ะคอมครับซึ่งราคาจริ ง, งๆเนีอยคนทานดูเหมือนใหม่อยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์ซ็นตปสิบปอร์เซ็นะราคามันอยู่ที่ควรจะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่ถ้ามองๆแล้วแบบยังตําแบบเหมือนจะเก็บมาขายเลยเ<อ>มันก็ต้องต้งมี หกร้อยเจ็ดร้อยขึ้นไปคระบแต่นี่ซื้อมาในราคาสองร้อยบาทสองร้อยห้าสิบแล้วมีคนต่อย <c oughs> ผมเหลือสองร้อยจะพูดด้วยเฮ้ยมันมันถูกมันถูกมากนะคุณคิงมันถูกจนหน้าตกใจอ่ะใช่ครับแล้ว <c oughs> คือคือ <c oughs> ที่สําคัญนะพี่ไอประโยคที่เขาพูดอะ่ะถามผมถามพี่เลยผมถามทุกคนเลยว่าประโยคที่อยู่ดีคนคนเป็นแม่ค้าพูดคาว่าอ๋อค่ะได้ค่ะลดได้เหลือสองร้อยค่ะประโยชอันนี้มันต้องมีคนเริ่มก่อนถูกปะถูก เขไมไ่พูดเขาคุยกับใครเหมือนเขาก็อยากขายเหมือนกันนะแม่ค้าเอาจังจริงใจ อ, <c oughs> อ๋อค่ะลดได้ขาดไปคืออะไรเออนั่นแหละคือโอ้โหตั้งคือตั้งราคามาแบบเป็นผมผมไม่กล้าซื้อนะแต่เข้าใจแหละคุณคิงอาจจะเฉยเฉยอาจจะไม่กลัวหรืออาจจะอะไรแต่ต้องโอ้เป็นผมนี่ผมจะคิดแล้วคิดอีกว่าของอย่างนี้ โ okay. อเคอาจจะเป็นผมก็เป็นคนชอบของถูกคนหนึ่งนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างมันถูกเกินไปผมก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยถูกไปปะวะอะอย่างรถผมอ่ะมีแต่คนช็อกนะเจอราคารถผมที่ผมขับอยู่ทุกวันเนี้ยจริงๆรถผมเนี่ยเอาจริงๆนะผมพูดตรงนี้แบบไม่อายใครผมซื้อมาในราคาถูกกว่ามอไซค์อีกเออจริงๆมันเป็นรถเก๋งรถยุโรปที่สภาพ โคตรดีอะ่ะดีทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่ต้องแทบไม่ต้องทําอะไรเลยเครื่องเครื่องมาดีหมดสพางสภาพดีหมดแอร์เย็นผมเอามาเปลี่ยนล้อแม็กสีเสือนี่มันมันโอเคอยู่แล้วอะ่ะเออแล้วผมก็มาทํานู่นทํานี่นี่หน่อยผมซื้อในราคาถูกกับมอเตอร์ไซค์หลายคนตกใจก็ถามก็จะพูดคําแรกเลยรถมีผีวะ่ะ <laughs> แต่ผมไม่ไม่เคไม่มีความรู้สึกอะไรเลยขับบ้านตอนกลางค่ำกลางคืนไม่มีความรู้สึกอะไรกับรถคันนี้เลย ไม่มีอาการขนลุกไม่มีอาการเสียวสันหลังไม่มีอะไรเลยเออผมก็ได้เฮ้ยเออผมก็พูดได้นะว่าเออบางทีของถูกผมก็จะรู้สึกกลัวแต่อันนี้เนี่ยผมตกใจในราคาที่เขาเปิดมาตอนแรกไงเขาบอกว่าราคาเนี้ยถูกกับมอเตอร์ไซค์ผมก็เข้าไปดูเฮ้ยราคานี้จริงเหรอแล้วลงรูปรถมามันสวยอ่ะผมก็เอาเลยครับเออผมไปขับคันนี้มาจากนู่นเลยฮะเชียงใหม่ ผมขับคันนี้มาจากเชียงใหม่เลยนะขับมาแบบสบายๆเลยเออทุกวันนี้ใช้อยู่ฮะเรื่องปกติเลยโอ้โอ้อเนี่ยมันผมว่าทั้งหมดเลยฮะมันมันอยู่ที่ที่ดวงมันอยู่ที่อะไรมากกว่าของคุณคิงเนี่ยเขาอาจจะอยากมาอยู่กับคุณคิงอาจจะไม่มีอะไรหรอกแต่บางคนเนี่ย อ, อาจจะไม่ถูกฉลกแต่อยากได้แล้วพอซื้อมาปุ๊บก็เกิดเหตุการณ์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครัเนาะ โอ้อ<ต> น, นี่คือเห็นเห็นทั้งบ้านนะเห็นแม่ก็ทั้งทั้งลูกชาย m, ผมก็พูกว่าอื้นอนอนนอนกันอยู่น่ยแล้วเขก็ทิ่เราในความมืดว่าพ่อใครนั่งอยู่ที่โต๊ะผมก็เลยว่งนอนนอนอนอครับครับเราก็ไม่พูดอะไรโอเนี่ยเนียมีคนพูดถึงเรื่องของรถเรื่องของรถผมบ อ, อกว่าเอ้ย แสดงว่ารถเลือกวิจัยเอ้ยใช่คือต้องบอกว่าก่อนหน้าที่ที่ผมจะจะได้คันนี้มาคือต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคิวที่สามเลยนะฮะพอเขาลงขายปุ๊บเนี่ยมีคนเข้าแบบแบบจองกันเยอะมากคืออยากได้นะครับเจ้าแรกเจ้าแรกเป็นคนที่อยู่ที่เชียงใหม่เลยอ่าเป็นคุณลูกมาดูมาดูรถแล้วก็บอกเฮ้ยรถคันนี้สวยคือสภาพมันดีมากอะคือราคาเนี้ใครใครก็ ดีกว่าซื้อมอไซค์ขี่นะครับเขาก็เอารูปเนี่ยถ่ายรูปทุกมุมเลยไปให้คุณพ่อดูปรากฏว่าคุณพ่อดันไม่ชอบคุณพ่อบอกมันเก่าไปมันอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเจ้าของรถเล่าให้ผมฟังนะแล้วก็ติดต่อมาที่คิวที่สองคิวที่สองที่เขากอดหน้าผมนะครับปรากฏว่าโหยยังไงก็ไม่รับสายคือติดต่อมาแล้วว่าเฮ้ยพร้อมจะเอาแน่นอนยังไงก็เอาแน่นอนมาจากอุบลอยากได้คันนี้คือ เขาเป็นพ่อค้าน่าจะเอาคันเนี้ไปขายคือรถคันนี้นะผมไปเช็คมาแล้วปีนี้รุ่นนี้เลยนะครับราคามันเกือบเกือบสองแสนที่เขาขายกันอยู่นะตอนนี้ลงในวงในเว็บขายอยู่รุ่นนี้เลยเกือบเกือบสองแสนผมเดา ว, ว่าเป็นพ่อค้าแต่ปรากฏว่าพี่คุณเนี้ยก็โทรไปแล้วไม่มีใครรับไม่รับเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นพี่ตัดให้น้องเป็นคนที่คิวที่สองเลยก็แล้วกัน ผมก็มัดจำเอาเลยเออผมซื้อมาในราคาถูกมอไซค์แล้วผมก็มาไล่เช็คว่าเฮ้ยจริงๆแล้วรถคันนี้มันมันราคาเท่าไหร่ก็ไปในเว็บวันทูคารอะไรพวกนี้ที่เป็นเกี่ยวกับรถนะครับดูปีนี้รุ่นนี้เลยเกือบสองแสนครับผมก็มีแต่คนบอกผมถูกหวยอะเออสภาพเนี้ย <c oughs> เออเอ อ, เ อ, อผมก็เลยเก็บคันนี้ไว้เลยก็ใช้อยู่ทุกวันนี้ครับขับไปไหนมาไหนไปแบบชิลสบายสบายแล้ววินาทีแพี่เอกไ ไม่นะตอนนั้นคือผมไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเลยผมแค่ตกใจกับราคาเฮ้ยราคานี้แล้วเราเป็นคนที่เข้าเพจนี้อยู่แล้วมันเพจเฉพาะของรถรุ่นนี้เลย <Yeah. S 1> เออพอเข้าไปเขาลงราคาแล้วผมก็ไปเช็คก่อนว่าเฮ้ยคนขายเขาเป็นอะไรยังไงพี่เขาก็โอเคอะเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เป็นเจ้าของรถนี่นั่นเยอะแยะมากมายเรื่องของเรื่องคือเที่ยว ข, ขายเพราะว่า เขามีรถอีกคันหนึ่งปรากฏว่ารถคันนั้นอะ่ะมันไปเสียไปอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาก็เลยเอารถคันนั้นไปซ่อมแล้วก็ไปซื้อรถคันนี้นจากเพื่อนสนิทเอามาใช้อพอรถคันนั้นซ่อมเสร็จทีนี้บ้านไม่มีที่จอดเขาก็เลยขายคันนี้นในราคาที่ซื้อมาแบบกับเพื่อนสนิทแต่ทํามาทุกอย่างแล้วนะเอามาเปลี่ยนคอนโซลคอนโซลใหม่หุ้มเบมาะใหม่ข้างในโอ้โหใหม่กิ๊บหมดเลย สบายเลยอเออผมก็บอกอ้ใช้คันนี้ผมยังใช้ได้อีกหลายปีอ่ะบอกเลยอีกหลายปีฮะเออมีบาคนถามผมซื้อมาเท่าไหร่เอาอย่างงี้ผมบอกแบบไม่โกหกเลยนะฮะผมซื้อรถยนต์คันนี้มาทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องทะบงทะเบียนอะไรหมดเลยพี่เขาโอนให้ด้วยสามหมื่นห้าพันบาท ถูกกับมไซค์ด้วยสวยด้วยยุโรปด้วยสวยครับรถยุโรปด้วยอ่าผมบอกเลยผมขับยี่ห้อวอลโว่ <c oughs> งงไหมไม่รู้นอกจากมอไซค์กับจักรยานผมขับอะไรไม่เต็ม <c oughs> แล้วผมเออผมได้ราคานี้มาแบบราคาที่มันไม่มีในโลกจริงคือต้องบอกว่าเอ้ยวันนั้นมันโชคดีแล้วมันเป็นจังหวะด้วยจังหวะผมเปิดเพจพอดีไงแต่ถ้าถามว่ามีอะไรแปลกในรถไหมไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีความรู้สึกไม่มีอะไรเลย เออเนี่ยมีเจ้คนบอกจริงจริงสามหมื่นห้าันบาทจริงๆรฮะใบซื้อขายผมมีครบออก็เป็นเรื่องอดีนะที่บงคนเราบางทีแบบคุณมาถึงจังหวะมาถึงน ะ, ต, ง<ช>ะต้องการแล้วก็ได้ทาต้องการแล้วแบบ<อ>ไม่หนักหนาเกินไปด้วยอย่างเงี้ยผมมีวันว่อคันเก่าอยู่แล้วนะแต่คันเก่าผมมันเย็นมากแล้วผมขับสีแดงแล้วมันซีดมันมันเปื่อยมาอะไรหมดแล้วนะครับพอดีอบอกเฮ้ยอยากได้อีกสักคันหนึ่งก็เลยเปิดเปิดเปเปิดเล่นตอนแรกจะไปดู รุ่นอื่นยี่ห้ออื่นบ้างแตพอดีจังหวะนั้นเปิดพอดีครับนั่งทานข้าวอยู่แล้วก็เปิดไอ้กินกาแฟอยู่จําได้นั่งอยู่กับเพื่อนพอดีเพื่อนก็เห็นว่าเนี่ยผมเปิดราคาเนี้ยเพื่อนก็ตกใจเฮ้ยรถมีผีเปล่าขายไม่ได้ไงราคานี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบผมไม่คิดอะไรมากอะ่ะผมคุยกับเขาแล้วก็จองเลยได้เลยเออเนี่ยให้พี่บัตรจองตั๋วรถไฟให้ผมผมนั่งรถไฟไปเชียงใหม่อะแร้วผมก็ขับคันนี้ลงมาขับมาคนเดียวด้วยใช่ไหมพี่คนเดียวเลยฮะ จากเชียงใหม่นั่งกระจกหลังก็ไม่มีใครนั่งมาด้วยไม่มีสู้สบายอือไม่เอาสะได้คุณคิงนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณคิงนะครับผมยังไงขอบคุณมากๆแล้วก็อยากจะบอกว่าคิดถึงมากๆขอบคุณที่วันนี้มาทําให้พวกเราหายคิดถึงนะคุณคิงครับผมโอเคขอบพระคุณมากๆดูแลรักษาสุขภาพนะคะครับครับสวัสดีครับ เดอโกสเรเนโอสนับสนโดยวินเดอร์กรสัสกา้าฝากง่ายจ่ายคงการันตีการเงินร้อเซ